วันไว้อะไรกับเบื้องหน้าวาดผวาอะไรกับเบื้องหลังแท้จริงสรร พ, พสิ่งอนิจจังจงปลูกฝังคำนี้ให้ชีวิตสร้อยดาว เราเคยคุยกันนะครับว่าไม่ว่าเขาจะตั้งอะไรตั้งชื่อแบบไห น, นหัวข้ออะไรเราก็พูดเหมือนเดิมเพราะเขาพูดได้เรื่องเดียวครับแต่หัวข้อที่เขาตั้งมาน่าสนใจมากเลยนะคะที่ว่าทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุขเนะะี่ยค่ะครับเพราะว่าพอฟังปับ๊บแวบแรกเลยนะคะที่รู้สึกได้เนี่ยรู้สึกว่าความสุขเป็นของหา ย, ยากครับยากขนาดที่ต้องมาอบรมกันถึงจะเข้าใจวิถีแห่งความสุข เพราะว่าทุวันนี้นี่คนทั่วไปมีสภาพของการทํางานที่เรียกว่าสุขยากทุกข์ง่ายคือมันง่ายที่จะมีความขัดแยง้งง่ายาที่จะมีความหมุดหงิดง่ายที่จะมีความไม่พึงพอใจเกิดขึน้นแต่ประเภทแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ยิ้มสยามนี่มันจะค่อยๆ ย, ยิ้มแย่และมากขึ้นนะฮะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอออืทืทีนี้ก็ทํำยังไงถึงจะกลับมา ที่ฐานจิตเครื่องถือว่าเป็นฐานที่สําคัญที่สุดเนี่ยนคะครับพี่ศรีนาในการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในขณะที่ทํางานเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะจะเรียกว่าในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงของการทํางานในที่ทํางานเนี่ยก็มีถึงหนึ่งในสามถ้าเรียก ว, ว่าท่านตีตัวเลขคร่าวๆว่านอนแปดชั่วโมงเนี่ยนะก็เหลืออีกเวลาทํางานเนี่ยสิบหกชั่วโมงเนี่ย ก็เลววันหนึ่งในครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีความสุขในกับการทํางานได้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นการเพิ่มกําไรให้กับตัวเองนะครับงั้นคุณหมอลองขยายเคล็ดที่ไม่รับสักนิดนึงสิคะว่าแล้วผู้คนเนี่ยจะมีชีวิตอย่างมีความสุขในการทํางานในงานประจำวันแต่ละวันนี่ได้ยังไงคะ่ะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นเคล็ดลับหรือว่าไม่ใช่เป็น เป็นการสร้างมุมมองอะไรขึ้นมาใหม่นะครับพี่สีนาศของเก่าๆเดิ ม, มๆ ม, มันเป็นประสบการณ์ของเราเองมากกว่าโอ้ค่ะอยังไงประสบการณ์<ะ>ของเราเองที่เรียกว่าผ่านกระบวนการโง่มาก่อนเนี่ยนะครกระบวนการโง่นะกระบวนการโง่มาก่อนแล้วก็เรไปเห็นว่าไถ้าเราวางใจใหม่ค่ะนะทั้งหมดของการวางใจใหม่เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่เราได้รู้จักตัวเราเองเป็นตัวจัด ก, การที่เรามีสติตั้งมากขึ้นนี่แะครับค่ะทำให มองเกี่ยวกับการทํางานการบางจิตบางใจเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเมื่อก่อนเราจะเห็นงานเนี่ยเป็นงานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเห็นงานเป็นภาร ะ, าะอีกด้วยคยังเห็นงานเป็นเวรเป็นกรรมเวลาพยาบาลเข้าเวรคุณหมอเข้าเวรเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าเวรแสดงว่าเวรเนี่ยมันต้องคือเวลาที่เราต้องทําอะไรก็อย่างหนึง่งใช่ไหะนี่เมื่อก่อนเนี่ยการที่เราต้องทํางานเนี่ยมันจะมองงานเป็นภาระมองงานเป็นของหนัก มองงานเป็นของเหนื่อยเมื่อผ่านระยะหนึ่งของชีวิตไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องมองใหม่หรือว่าเรามีความรู้สึกอันใหม่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่างานเป็นหน้าที่อันที่สองก็คืองานนั่นเป็นกรรมงานเป็นหน้าที่คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าในแง่ของหน้าที่เนี่ยในแง่ของการทํางานที่ว่าอสมมติผมทําหน้าที่เป็นหมออย่างเงี้ย <Okay. S 1> หน้าที่ก็คือเป็นคนที่รักษาคนไข้ ในหน้าที่อันนั้นเนี่ยนอจากว่ามีเป้าหมายเมื่อก่อนก็คือว่าเพื่อให้มีงานทำให้มีเงินเดือนให้มีรายได้ผลพลอยได้อ ย, อย่างอื่นก็มีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนน้าหนาถือตา ม, มีความมั่นอกมั่นใจมั่นคงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของชีวิตจริงๆเนี่ยมันคืออะไรไม่ปฏิเสธว่างานที่เราต้องมีรายได้ ในการที่จะหามาซึ่งปัจจัยสีมนะันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะงานเอาชีวิตรอดว่างั้นแต่มันมีงานอีกงานหนึ่งที่มันเป็นงานที่เราลืมหรือว่ามองข้ามไปก็คืองานเพื่อตัวเองจริงๆหรืองานเพื่อจิตวิญญาณหรืองานเพื่อที่จะจะพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปนึกออกไมค้วนะ่างานเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเอาตัวชีวิตรอด เนี่นีงานงานพื้นฐานถ้าเรามองง่ายๆว่าเป็นงานของสัตว์ชนิดหนึ่งกวาา็ว่าได้ก็คือทายัางไงให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้ค่ะกับงานอีกอันหนึ่งก็คืองานเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิมหรือว่าให้มากกว่าเดิมหรือว่าให้รุ่งเรืองกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งไอ ง, งานตรงนี้เนี่ยเรามักจะมองข้ามแล้วเราไม่เข้าใจค่ะจริงๆมันก็คืองานที่เรียกว่าศึกษาชีวิตตัวเองนี่แหละะ ยากจะบอกว่าเหมือนกับว่าขั้นตอนการเอาตัวรอดเอาชีวิตให้รอดเนี่ยเป็นการลดความทุกข์แล้วก็ขั้นตอนที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างความสุขอย่างนี้พอเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นได้ครับเป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเปนงานของการพัฒนาจิตค่ะนะซึ่งงานพัฒนาจิตเนี่ยมันเป็นงานที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กลับมาศึกษาตัวเราเอง นงานพื้นฐานของตัวเราเองแล้วก็ของมนุษยชาติเนี่ยจริงๆก็คือว่าต้องกลับมาดูตัวเองครับ oh. กลับมาศึกษาตัวเราเองเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นใครมันเป็นอะไรมันทํางานยังไงร่างกายมันทํางานยังไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงธรรมชาติของร่างกายเป็นยังไงธรรมชาติของจิตใจเป็นยังไงเวลามันเห็นเวลามันได้ยินเวลามันคิดนึกเนี่ยมันมีความรู้สึกมีการปรุงแต่งอะไรไปยังไงแล้ว มันสร้างทุกสร้างโทษให้เราอย่างไงเนี่ยเราไม่ได้กลับมาดูมันจริงๆตรงจุดเนี้ยครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเราไม่เคยกลับมาดูมันเรามัวแต่มุ่งหน้าทํางานรองลงไปก่อนนึกออก<ช>ไหมฮะงานเพื่อความอยู่รอดเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานรองแต่งานหลักจริงๆแล้วน่าจะเป็นงานกลับมาศึกษาตัวเองนี่แหละฮะค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งถ้าเรามองก็คือว่าเรามองเห็นว่า การทำงานเนี่ยเป็นกรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าการทางาน <c oughs> ก็เป็นการกระทำชนิดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาในแต่ละขณะใ น, ในแต่ละขณะที่เราทํางานไปเนี่ยว่าการที่เรากำลังทางานอยู่เหมือนการทำทางใช่ไหม <c oughs> การทำทางหรือการดำเนินไปเนี่ยว่าในแต่ละขณะที่เราทาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคิด ไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําทางกายอย่างอื่นๆเนี่ยมันเป็นทางแห่งกุศลเลือดเป็นทางแห่งอกุศลตรงนี้ถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราจะทํางานง่ายขึ้นในขณะที่เรามีความทุกข์มีความหงุดหงิดราคาญมันก็ตอบตัวเองได้อ่นะครับว่ามันคงเป็นทางที่เราไม่พึงประสงค์ใช่ไหมเป็นทางที่ไม่พึงประสงค์ งาน separated. ที่เราทําเนี่ยมันควรจะเป็นงานบุญงานกุศลงานสร้างสุขไม่ใช่งานสร้างทุกข<อ>์ค่ะเราะฉั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยอะไรที่มันร้ายๆอะไรที่มันไม่ดีอะไรต่างๆอารมณ์ฝ่ายต่ํามันก็จะถูกละไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถูกละไปเลยเพราะว่าทุกคนก็คงไม่ต้องการไปทุกข์กตินะครับทุกคนก็ไม่ต้องการสร้างทางบาปเกิดขึ้นในคิดตัวเองอทุกคนก็ต้องการความสุขต้องการความสงบ นี่ถ้าเกิดเราวางใจไว้ถูกว่าเราจะทำกิจกรรมดีเราจะสร้างทางเป็นกุศลสร้างทางบุญสร้างทางความสุขเกิดขึ้นไม่ว่างานที่มันเกิดขึ้นจะเป็นงานที่บ้านนะงานที่ต้องทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันก็จะเป็นงานในลักษณะเดียวกันคือว่างานนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่างานนี้เป็นบาปเป็นอกุศล ก็พิจารณาทีละขณะทีละขณะอย่างนี้ยไปเรื่อยๆค่ะอยู่กับปัจจุบันดูถ้ายิ่งเรามีตัวปฏิบัติตัวการเจริญสติคอยดูกายดูใจของเราอยู่เสมอยิ่งจะเห็นว่างานกลายเป็นเหมือนสนามฝึกนะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นภานละเราได้ดูจิตดูใจเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดนึกปรุงแต่งในอารมณ์จรมาผ่านไปเนี่ย มันจะกลายเป็นแดนฝึกของเราเนี่ยโดยปริยายซึ่งมันไม่ใช่เป็นงานแล้วมันไม่ใช่เป็นภาระอีกทั้งหามันกลายเป็นแดนในการฝึกปัญญาเป็นอุปกรณ์ทั้งสิ้นเลยเป็นโอกาสงานหนักเข้ามาใครมาทดสอบอารมณ์กลายเป็นข้อสอบกลายเป็นอุปกรณ์นะมีแต่ได้ครับได้อุมมองอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยฮนะแล้วก็ไม่มีด้วยถ้าไม่เจริญสติ ผมมองอย่างนี้ไม่มีแหละครับพี่ฟินะาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํำยังไงจึงจะงานผมจึงจะทํางานอย่างมีความสุขเรียว่าจะใช้งานเป็นอุปกรณ์คจนต่อเมื่อว่าเรามาเจริญสติมารู้ว่าโอ้ชีวิตเนี่ยมันมีเป้าหมายมันมีทิศทางที่ควรจะเป็นไปยังไงคเราจึงจะมีวิถีชีวิตที่มันมันหันเหไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการเจริญสติมีความรู้สึกตัวพอเรามีสติมีความรู้สึกตัว ทิศทางในการดําเนินชีวิตนะ mm hmm. จะเรียกว่าทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นถูกมันจะค่อยๆพอกคูนมากขึ้นและเมื่อมีความเห็นถูกมากขึ้นในชีวิตเราก็จะบังคับทิศทางของชีวิตของเราเนี่ย mm hmm. ดําเนินไปสู่สุขติได้ทีละขณะทีละขณะค่ะ hmm. มันก็เป็นในลักษณะที่เรียกว่าไม่ต้องไปนั่งทําจิตทําใจอะไรให้มันเหนื่อยนะ พอเราปรับมุมมองถูกแล้วก็เดินทางสบายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้ไปเด้าบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ตรงจุดนี้เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่สำนาาักงานสาธารณสุขสุขไทยได้ฟังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอาไปใช้ทันหรือเปล่านะคะพออบรมเสร็จปั้ลุขึ้นก็ น, น้ําท่วมเมืองเลยก็อาจจะออกลทธิช้าหน่อยแต่อย่างน้อยนะเราก็ได้ฝากล่องรอยะนะฮะได้ฝากล่องรอยได้ฝากอุบายวิธีภาวนาพระอาจารย์ทรงศีนั่นก็ได้ จำที่จำใช้อยู่ช่วงบ่ายสองสามชั่วโมงนั้นก็คิดว่าถ้าคนที่มีปัญญาแล้วก็เปิดใจกว้างเขาก็คงจะได้เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ถ้าเขานำไปใช้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะสัมผัสถึงสิ่งที่เรียกว่ามันทุกข์แต่ว่ามันก็ยังมีวิธีออกจากทุกข์ได้อยู่เหมือนกัน